เอออาขอบคุณมากๆเลยได้เออจะได้เป็นหนุ่มเออเอาผ้าขาวมาเอาไว้ให้กับโยมคนตายหอศพอ่พอดีขอบคุณมากๆวันนั้นช่วงสองสามปีที่ผ่านมาผ้าขาวก็เลยหมดก็ขอบคุณมากๆ อ่าอ่าอ่าดิจักรขอบคุณมากๆเลยเอาผ้าขาวมาไว้ให้กับศพหอศพศพลราสองผืนสองผืนหมดไป800กว่าศพ820ี่สิบกว่าเลยเลยหมดเลยหมดเอ่ออ่าขอบคุณหลายๆ ให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปหลยจมูกของเราให้ชัดเจนให้ต่ตเนื้องนั่งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายฟังไปด้วยน้มสำเนียงไปด้วยหลงสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆสักสองสามเที่ยว ความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆก็จะคลายลงไปหยุดเหลือตแต่ความปกติความสงบของใจถ้าใจคิดไปเรื่องอื่นเราก็พยายามกระตุ้นความรู้สึกแรงๆความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องนั่นแหละท่านเรียกว่าสติสัมปชัญญะเราพยายามสร้างขึ้นมาตแต่ยังไม่ได้ตื่นพอรู้ตัวปุ๊บ เราก็รู้ความปกติรู้สัมผัสข้างหลม่มหายใจเข้าออกเวลาจะลุกจะก่าวจะเดินเข้าห้องโถห้องน้ำเราก็รู้ตัวสติที่เราสร้างขึ้นมาหรือว่าส่วนปัญญาพากายไปให้ใจรับรู้ทำโน่นทำนี่แต่ส่วนมากตัวใจจะบงการรวมร่วมกับอาการของคันห้าร่วมกับพื้นของสมอง ถ้าเรามาเจริญสติส่วนสมองของเราระ ล, ลึกรู้ไป่อยทำความเข้าใจไป่อยอบรมใจของเราไป่อยทำไมใจถึงเกิดความเกิดนั่นแหละคือความหลงอันลุ่มลึกถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดเขาหลงมาสร้างพบมนุษย์มาสร้างขันห้าปิดกัน เ, ออเขาเอาไว้ถึงตัวใจก็อาศัยอยู่ในขันห้าอาศัยอยู่ในกายของเรา เป็นส่วนหนึ่งของขันห้าส่วนรูปก็คือส่วนร่างกายส่วนนา ม, มารรมกืดตัวใจกับอาการห้องใจใจกับอาการห้องใจนี้รวมกัน ก็เลยเกิดอัตรารวมร่วมไปหมดถ้าเรามาเจริญสติมันสังเกตบ่อยๆทําความเข้าใจบ่อยๆปรับสภาพใจของเราบ่อยๆใจของเราเกิดความโลภเราก็พยายามละความโลภด้วยการให้ด้วยการเอาออกใจเกิดความ่ทีโกรธเราก็พยายามดับความโกรธให้อภัยอโหสิกรรมีใจเกิด ไม่มีความเป็นระเบียบใจเกิดความเจ็ดคลานเราก็พยายามสร้างความขยันหมั่นเพียรชี่เหตุที่ผลเห็นเหตุเห็นผลเหตุผลทางด้านนมามธรรมก็คือส่วนความคิดของเราเหตุผลทางด้านรูปธรรมก็คือร่างกายของเราเหตุผลทางโลกก็คือโลกธรรมแปดปัจจัยสี่ที่เราก็าไปยุ่งเกี่ยวเราต้องหัดวิเคราะห์หัดสังเกตบ่อย จนเห็นจนเห็นอาการเกิดคงใจเห็นอาการเข้าไปรวมกับขันห้าถ้าเรารู้ทันขณะที่เขาเคลื่อนเข้าไปรวมใจก็จะแยกออกจากขันห้าซึ่งเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นอาการแยกคลายแล้วก็ใจก็ว่างรับรู้อยู่สติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาก็ตามดู เห็นความเกิดความดับเป็นต่้นเหตุกลางเหตุปลายเหตุนั่นแหละคือความเห็นถูกของพระพุทธเจ้าเห็นถูกเราก็ทําความเข้าใจเข้าใจในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ด้วยเห็นด้วยทําความเข้าใจได้ด้วยแล้วก็ตามดูได้ด้วยแล้วก็มันขัดเก่ากิเลสออกจากใจของเราใจของเราเบาบางจากกิเลสก็จะเข้าสู่ตัววิปัสสนา ความรู้แจ้งเห็นจริงกิเลสตัวไหนที่เกิดขึ้นที่ใจของเราความยินดียินร้ายความโลภความโกรธถ้าเราคลายความหลงแยกรูปแยกนามได้เราก็จะเห็นเห็นตามคำสอนของพระพุทธองค์ใจส่งไปภายนอกก็เข้าสู่หลักของอริยศาสตร์ความจริงความจริงส่วด น, นำมาทำเป็นลักษณะอย่างนี้ความจริงของสมมติเป็นลักษณะอย่างนี้ ท่านถึงบอกว่าให้รอบรู้ในกองสังขารให้รอบรู้ในดวงวิญญาณในขันห้าของเราพยายามศึกษาไปบ่อยหัดสังเกตปบ่อยไม่ใช่ว่าไปปล่อยปะละเลยส่วนการศึกษาเราเรียนระดับสมมตินั้นก็เป็นปัญญาคงสมมติเพื่อที่จะอย่างสมมติของเราให้เกิดประโยชน์เราปริกปัญญาโลกให้เป็นปัญญาธรรมถ้าใจคลายจากขันห้าได้ท่านเรียกว่าตกกระแสธรรม ถ้ากำลังสติของเราไม่ตามดูรู้เหตุรู้ผลทุกเรื่องเขาก็จะซึมเข้าสู่สภาพเดิมเราต้องพยายามพยายามสร้างตะบะสร้างบา ร, รมีเรามีความขยันมั่นเพียรเพียงพอหรือไม่เรามีความเชืละขัดเกากิเลสได้หมดจดหรือเปล่าทำความเข้าใจกับภาษาโลกทำความเข้าใจกับภาษาธรรมภาษาธรรมคือใจที่เราคลายจากขันห้าใจที่ละกิเลส ใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นลักษณะอย่างนี้การเจริญสติเป็นลักษณะอย่างนี้ใจที่คลายจากขันห้าใจรับรู้ใจเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามหลักของความเป็นจริงท่านต้งบอกให้เชื่อไม่ใช่ว่าเชื่อแบบงมงายบางคนบางท่านก็ออพยายามทําความเข้าใจให้ถูกต้องเพราะว่าบางทีจิตใจก็เป็นบุญอยู่จิตใจก็สงบอยู่ เพียงแค่เราสังเกตดูรู้ให้ทันจนกว่าใจของเราจะแยกออกจากคันห้างหงายขึ้นมาเหมือนกับหงายของที่คว่ำจไปศึกษาธรรมะศึกษานอกกายไม่เจอเด็ดขาดต้องศึกษาในกายของเรากายของเรานี้เปรียบเสมือนกับสนามรบแต่ละวันแต่ละวันใจเกิดธักกิจเที่ยว เหตุจากภายนอกมาทําให้ใจเกิดหรือเกิดจากภายในเหตุจากอาการของขันห้าผุดขึ้นมาใจเคลื่อนเข้าไปรวมได้อย่างไรถ้าเราแยกแยะไม่ได้เราก็อาจจะควบคุมใจของเราได้เป็นบางเรื่องบางครั้งบางคราวเราอาจจะขัดกากิเลสของเราได้แต่กิเลสก็มีหลายชั้น ละเอียดสุดพวกบนทินพวกนิวรณธรรมต่างๆและก็ความเกิดถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดเราจงพยายามเจริญสติเข้าไปชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลปรับสภาพความสมดุลภายในของเราใจของเรา ปกติวางวางจากขันห้าเป็นอย่างนี้ว่างจากกิเลสเป็นอย่างนี้ใจที่เป็นสมาธิเป็นอย่างนี้ใจที่สงบสุขสงบสุขได้ยาวนานหรือไม่เราก็พยายามแก้ไขหนุนกาลังสติปัญญาไปทำนาทีแทนทุกเรื่องจนอยู่ด้วยปัญญาล้วนๆทวนใจนั้นก็อยู่ในวิหารธรรมคือความบางความบริสุทธ การพูดง่ายแต่การลงมือต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรเป็นเลิศมีความเพียรให้ถึงจุดหมายปลายทางมีความเพียนที่มีความเห็นถูกคือใจต้องคลายออกจากขันห้าให้ได้ซะก่อนแล้วก็ตามดูตามรู้ตามเห็นเพียงแค่แยกแยะได้นั้นยังไม่เพียงพอเราต้องตามค้นคว้าหมดทุกอย่าง คลายกิเลสดับความเกิดออกจากใจของเราต้องอาศัยการอาศัยเวลาอาศัยความเพี่ยนที่ถูกต้องนีก็จะเข้าถึงจุดหมายปลายทางประกาศด้วยตนเองไม่ต้องให้คนอื่นเขาประกาศใจของเราขณะนี้เป็นอย่างไรใจของเราสะอาดใจของเราบริสุทธิ์ใจของเราดับความเกิดได้นี่ก็จะเข้าสู่ความปกติความสุข มองเห็ น, นหน้นทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันเราพยายามทําเรื่องอยากให้เป็นเรื่องง่ายทําเรื่องง่ายให้ง่ายลงไปอีกใจที่ปราศจากกิเลสเป็นอย่างนี้ใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างนี้ทําความเข้าใจกับภาษาโลกภาษาธรรมคําว่าว่างความว่างว่างจากการเกิดว่างจากขันห่าว่างจากกิเลสอยู่ในวิหารธรรมอยู่ในเครื่องอยู่ขึ้นนิพพานนั่นแหละ เราต้องทำให้ปรากฏที่ใจของเราลมล้ลุกขึ้นใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่ อะไรที่จะเป็นบุญเป็นบารมีเราก็พยายามสร้างพยายามทาน้อมรละลึกนึกถึงคุณงามความดีรละลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ารละลึกนึกถึงเออบุญกุศลที่เราได้สร้างมาทามาแล้วก็ดำเนินให้มันถึงจุดหมายปลายทางกันไม่ถึงจุดหมายวันนี้ก็ต้องพุ่งนี้ไม่พุ่งนี้ก็บริเวณนี้เดือนหน้าปีหน้าไม่ถึงจริงๆจะไปต่ออกพบนา ตาบใดที่เรายัางดําเนินอยู่เพราะวันนี้มีพรุ่งนี้มีเดือนหน้ามีปีหน้ามีภพหน้ามีพ่อแม่มีพี่น้องมีพระพุทธเจ้ามีถ้าเราฝึกขัดปฏิบัติตามทางของท่านให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราเราก็จะระลึกนึกถึงคุณของท่านว่าท่านยังเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาค้นพบสัจธรรมตรงนี้ถึงท่านไม่เกิดธรรมะก็มีอยู่แล้ว แต่เราขาดการค้นคว้าขาดการทำความเข้าใจที่ถูกทางก็เลยห่างไกลเราก็ต้องพยายามกันนะพยายามทำกันตัน้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งนอนหลับนอนแหละจนกระทั่งวันหมดลมหายใจอย่าไปทิ้งบุญ พยายามทำบุญพยายามให้ทานทานทั้งภายนอกทานทั้งภายในทานภายนอกก็ส่งผลนึ่งภายในให้จิตใจของเราเบาเบาบางลงไปเราพยายามมองโลกในทางที่ดีคิดดีทำดีทำความเข้าใจให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะอยู่ใน area บทไหนยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายอยู่กลางลงหนังกลางตลาดใจของเราต้องอยู่ในความบริสุทธิ์สติปัญญาผากายไปให้ใจรับรู้กายกายของเรานี่ทําหน้าที่อย่างไรเราต้องพยายามศึกษาภาษาธรรมสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าฟังเป็นอย่างไรรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆที่ผ่านมาทาง ท, างทางวารทั้งหกจิตใจ ใของเราเกิดความมิน ด, ดียินไล่ไหมถ้าใจจะเกิดเราก็พยาพยามดับพยายามดับการก่อตัวนั่นแหละการก่อตัวของใจมันก็ส่งออกไปเป็นเรื่องเป็นราวยาวออกไปเหมือนกับสายว่าวเราพยายามดับหรือพยายามฉุดดึงล่างลงมาเรื่อยๆนี่ก็จะใจก็จะสั่นลงสั่นลงสั่นลงสั่นลง แล้วก็ดับตรงใจที่ก่อดตัวก็จะเข้าถึงตัวใจแต่เวลานี้ใจทั้งเกิดด้วยทั้งหลงขันห้าด้วยทั้งเป็นธาตุของกิเลสด้วยรวมผสมประสานกันไปก็จะขัดเกลาก็ต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรดําเนินให้ถูกที่ถูกทางมันไม่เหลือวิสัยลกก็ต้องพยายามตนเป็นที่พึ่งของตนมันพัฒน์สอนตัวเราอยู่ตลอดเวลาสัากวันหนึ่งก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางกัน อย่าพากันปล่อยเวลาทิ้งบุญสมมุติเราก็พยายามทำโอกาสเปิดการเวลาเปิดสถานที่เปิดไม่ว่าที่ไหนเรามีโอกาสทำเรามีความพร้อมเราก็ได้ทำวันที่สอง ที่จะถึงนี้ก็ได้มีการทําบุญใหญ่ถวายองค์พระพุทธรูปองค์แทนพระพุทธเจ้าไว้ที่โรงเรียนแล้วก็ได้จัดมีทําการทําบุญถวายพระป่าเพื่อที่จะสร้างมหาเจดีย์พุทธเมตตาหลวงก็บอกขก่าวพี่น้องเราบอกขก่าวพี่น้องเราบอกขก่าวเรามนุษย์เราเทวดาได้ยินข่าวทราบข่าวก็พากันมา ส่วนวันพรุ่งนี้หลวงพ่อก็จะไ ด, ได้เดินทางไปปักถุงชัยเพราะจะได้ไปดูแลเรื่องการปลูกต้นไม้การวางรากฐานมหาเจดีย์ทำที่พักที่อาศัยเดี๋ยวนี้ก็ปลูกไปได้เยอะรวมเป็นหมืน่นกว่าต้นต้นชมพูพันทิพต้นกนะระลาพุกต้นหางนกยูงภายในห้าร้อยไร่จะทำให้เป็นดงดอกไม้อยู่กลางมหาเจดีย์มหา จะดีอยู่กลางดงดอกไม้ไปใน5ปี10ปีถ้ายังมีกำลังมีลมหายใจก็คงจะได้ไปชมไปชมไปเห็นพวกเรามีโอกาสได้มาสร้างร่วมกันทำบุญฝากเอาไว้ทำบุญใหญ่ฝากเอาไว้ให้กับชาติบ้านเมืองเป็นไขด่ดาวอยู่กลางประเทศเป็นดงดอกไม้ใหญ่ ไปในสิปีข้างหน้านี้ก็คงจะได้เข้าไปดูเข้าไปชมการเริ่มต้นมีความสําเร็จย่อมจะมีเราทําไปเรื่อยๆปีนี้เราทําได้ทนุนนี้ปีต่อไปเราทําขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้กําลังไปจัดระบบเราเปียบทั้งถนนหนทางทั้งเจาะน้ํบาบาดาลวยงานต่างๆก็ไปช่วยไปช่วยกัน คอยดำเนินไปถึงวลาเวลาก็คงจะเห็นอา น, นิสงส์งอำนาจแห่งบุญตรงนี้เพื่อที่จะเป็นความสุขของชาติบ้านเมืองของเราเอาล่ะวันนี้ขอเจริญธรรมเพียงเท่านี้พากันไว้พระพร้อมๆกันพากันไปสร้างสารต่อทำความเข้าใจกันเอานะ